จเจริญพรท่านพูดมีจิตศรัทธาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17เจมกราคมพุทธศักราชส5 5พเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้จเจริญขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้นด้วยการน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้การพัฒนาจิตใจพระองค์ได้ทรงแบ่งขั้นตอนไว้สาขั้นตอนด้วยกันคือหนึ่งปริยัต คือการศึกษา 2. ปฏิบัติคือการนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติ 3. ปฏิเวทการบรรลุผลจากการปฏิบัตินี่คือขั้นตอนของการพัฒนาจิตใจซึ่งจะข้ามขั้นตอนไปไม่ได้เพราะถ้าข้ามไปแล้ว ก็จะเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่ได้ไปถึงผลที่ปรารถนาก็ได้เพราะการพัฒนาชีวิตจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากและต้องมีแผนที่มีผู้บอกทางถึงจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างถูกต้อง ถ้าปราชญ์ผู้รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้นำทางความหลงก็มักจะพาให้ไปผิดทางได้ดังนั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติหรือทรงสอนขั้นที่หนึ่งของการพัฒนาชีวิตจิตใจด้วยการศึกษาปริยัตรปริยัตก็คือการ ศึกษาข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแผนที่ของการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปถ้าไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนดำเนินชีวิตไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนก็มักจะถูกกิเลสซึ่งเป็นเจ้าของหัวใจเป็นผู้ที่ คอยหลอกล่อใจของเราให้เดินไปในทางที่ผิดแทนที่จะไปทางที่นำไปสู่ความเจริญก็จะเดินเราไปสู่ทางที่จะนาพาไปสู่ความเสื่อมเสียแทนที่จะพาเราไปสู่ความสุขก็พาเราไปสู่ความทุกข์ <c oughs> ชีวิตของพวกเรา จึงยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของความเสื่อมและของความทุกข์นอกจากว่าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วผลดีต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาแน่นอน ดังนั้นในขั้นแรกนี้เราจึงควรสมใจศึกษาให้มากๆพยายามหาหนังสือธรรมะดีๆเช่นหนังสือพระไตรปิฎกเป็นต้นหรือหนังสือของครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้บรรลุแล้ว ถ้าเราได้ศึกษามากๆแล้วเราจะมีความเข้าอกเข้าใจรู้จักวิธีที่จะ ป, ปฏิบัติต่อไปนะการศึกษานี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่หรือมีผู้นำทางเราต้องการไปสถานที่เราไม่เคยไปถ้าเรามีแผนที่เราก็ ศึกษาแผนที่ก่อนเมื่อศึกษาแล้วเราก็ออกเดินทางไปตามแผนที่ไม่นานเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางหรือมีผู้ที่เคยไปมาแล้วมาเป็นผู้นําทางก็จะยิ่งสะดวกยิ่งง่ายกว่าศึกษาจากแผน ท, ที่ถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีผู้นําทางเราไปของเราเองเราจะไปอย่าง ยากลําบากและจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะไม่รู้ว่าที่ตั้งของสถานที่ที่เราต้องไปนั้นอยู่ทิศใดอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกก็ยังไม่รู้ก็ยังต้องทดลองไปตามทิศต่างๆดังนั้นการศึกษา เพื่อให้รู้ถึงเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นทรงแบ่งไว้เป็นสามหัวข้อ่อยใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. การทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. การละบาปทั้งปวง 3. การ ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คืองานหลักสามข้อใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าสมมอมให้แก่เราเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะท่องทำอะไรขั้นต่อไปก็คือการปฏิบัติการที่เราจะปฏิบัติได้นั้นก็ต้องมีวิริยะคือความอุตสาหา ความภาคเพียงความขยันหมั่นเพียรเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองในเรื่องของการพัฒนาชีวิตจิตใจนี้ผู้อื่นพัฒนาให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองเป็นผู้พัฒนาเองดังในสุภาษิต ท, ที่ตัดไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโธ ตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราได้นอกจากตัวเราเองผู้อื่นมีแต่ให้กำลังใจได้บอกทางได้สอนได้ชี้ได้แต่ไม่สามารถทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ทำแทนทำของเราเองและ กาที่เราจะทําได้เราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้าเราไม่มีความขยันหมั่นเพียรมีความปรารถนาอยากจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าอยากจะมีความสุขอยากจะร่ำอยากจะรวยแต่เรามีความเกียดคร้านไม่สนใจที่จ ะ, จะเจริญเหตุที่จะทําให้เกิดผลมีความปรารถนามากน้อยเพียงไร ก็จะไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้เพราะผลนั้นอยู่ที่การกระทำนั่นเองดังนั้นขอให้เราจงหันมาดูที่การกระทำของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังอยู่เฉยๆหรือว่าเรากำลังทำอะไรถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมา กระทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งสสอนให้กระทำถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ดูว่าเรากำลังทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำหรือไม่ถ้าเราไม่กระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็รีบระงับและเปลี่ยนการกระทำของเราเสียไม่เะนั้นแล้ว ผลที่เราปรารถนากันก็จะไม่เกิดขึ้นขึ้นมานั่นเองท่านสอนให้เราทำความดีเราอยู่ในการกระทเรามีการกระทำความดีอยู่หรือเปล่าเช่นเรามีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณหรือเปล่าเรามีความสัมมาคาระวะต่อผู้ที่สูงกว่าเราผู้ที่มีพระคุณกับเราหรือไม่ เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่เรามีความเสียสละหรือไม่นี่คือความดีที่เราควรที่จะกระทำกันเมื่อเรามีโอกาสการที่เราได้มีโอกาส ท, ทดแทนบุญคุณต่อท่านผู้ที่มีพระคุณนั้นเป็นการกระทำที่น่ายกย่องสรรเสริญ นำมาทั้งความสุขให้กับตัวเราเองและแก่ผู้ที่มีพระคุณแก่เราเราจึงควรที่จะคิดถึงเรื่องพระคุณของผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดไม่ลำลึกถึงแล้วในชีวิตของเราในแต่ละวันจะถูกเรื่องอื่นๆมา กลบมาทำให้เราลืมถึงผู้มีพระคุณของเราได้เราจึงควรที่ระลึกถึงเสมอทุกเช้าทุกเย็นตื่นขึ้นมาแล้วกราบพระแล้วก็กราบพ่อแม่กราบผู้มีพระคุณเพื่อเราจะได้ลําลึกถึงพระคุณของท่านก่อนนอนก็เช่นเดียวกันกราบพระแล้วก็กราบพ่อกราบแม่กราบผู้มีพระคุณ เมื่อเราได้กราบและได้รำ ล, ลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่อย่างเสมอเราจะไม่ลืมท่านและเราจะคิดถึงท่านอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เรามีเวลาว่างเราจะได้ไปเยี่ยมเยียนท่านไปนำสิ่งของต่างๆไปให้กับท่านไปดูแลรับใช้ท่าน เป็นการกระทำที่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องคนดีนั้นทรงตรัสว่าอยู่ที่ความกระตัอยูเป็นพื้นฐานถ้าบุคคลใดไม่มีความกระตันยูแล้วจะเป็นคนดีได้ยากเพราะลืมบุญคลของผู้อื่นมัวแต่คิดถึงเรื่องของตนเอง มากจนเกินไปจนไม่ได้มีโอกาสได้พัฒนาจิตใจการคิดถึงตนเองและทำอะไรให้แก่ตนเองมากเกินไปนี้มันไม่ได้ทำให้เราไปสู่การเจริญถ้าไปสู่การเจริญก็ไปสู่การเจริญที่ไม่ยั่งยืนเป็นไปไปสู่ความเจริญที่จอมปลอม เช่นเราหาความสุขให้กับเราหาลาบยศสรรเสริญให้กับเราอย่างนี้เป็นความเจริญที่เป็นมันไม่จีรังมันไม่ถาวรมันมีแค่อยู่กับชีวิตของเราในชาตินี้เท่านั้นหลังจากที่เราตายไปแล้วสิ่งที่เราได้พัฒนา ต่างๆก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปสิ่งที่เราเอาติดตัวไปก็คือความเห็นแก่ตัวซึ่งก็เป็นความหลงนั่นเองความหลงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามชำระพยายามกำจัดให้ออกไปจากจิตจากใจเพราะถ้าเรามีความหลงมากเท่าไหร่ เราก็จะต้องวนเวียนไหว้าตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ไปมากเท่านั้นเพราะเกิดมาแต่ละพบเราก็จะสแสวงหาจะพัฒนากับสิ่งที่ไม่จีรังถาวรไม่ยั่งยืนเกิดมากี่พบกี่ชาติก็จะสแสวงหาแต่ลาบยศสรรเสริญสุขไม่ได้คิดสแสวงหาความเจริญทางด้านจิตใจ ที่เกิดจากการทำความดีต่างๆพบชาติของเราก็จะไม่มีวันหมดไปได้เมื่อยังมีพบชาติอยู่ก็ยังจะต้องทุกขกับการเกิดการแกร่การเจ็บการตายการพลาดพาจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะทำอะไรเพื่อตัวเราเอง มากเกินความจำเป็นสิ่งที่เราควรจะทำสำหรับตัวเราเองนั่นก็คือการสแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อจะได้มามามาใช้กับการดำรงชีพและเมื่อเรามีชีวิตอยู่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเราจะได้นำชีวิตของเรานี้มาพัฒนาทางด้านจิตใจ เพราะจิตใจเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจนี้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องจากว่าจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองต่างกับร่างกายเป็นสิ่งที่เสื่อมและตายต้องตายไปในที่สุดถ้าเราพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อร่างกายของเรา เมื่อร่างกายเราหมดสภาพไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะหมดสภาพไปถ้าเราพัฒนาเพื่อจิตใจถึงแม่ร่างกายจะเสื่อมจะตายไปแต่สิ่งที่เราได้พัฒนาไว้ในจิตใจนั้นจะอยู่ติดไปกับจิตใจจะไม่สูญหายไปกับร่างกายจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้ได้ไปพัฒนา ในพบต่อไปในชาติต่อไปดังที่พวกเราทั้งหลายได้เคยพัฒนากันมาในอดีตเราเคยทำบุญให้ทานเคยมีความกตัญญูกตเวทีเคยมีสัมมาคาระวะเคยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงผลักดันให้เรามาในทางนี้ได้มาเข้าวัดเข้าวา มาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมถ้าเราเคยแต่สแสวงหาเรื่องราบยศสรรเสริญและการมาสุขคือสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐัพพะเราจะรู้สึกว่าการมาวัดนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าไม่น่าจะมาไม่สนุกไม่เหมือนกับการที่เรา ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็จะไม่เข้าวัดกันเมื่อเราไม่เข้าวัดเราก็จะเราก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแผนที่อันประเสริฐที่จะพาให้ชีวิตของเรานั้นไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง เราก็จะหลงไปกับการสแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็สแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> เมื่อเราได้ ม, มีโอกาสได้มาวัดแล้วเราจึงควรที่จะตักตวงประโยชน์ให้ได้มากที่สุดถ้าเรายังไม่เคยศึกษาไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอน ถึงแก่นของธรรมแล้วเมื่อมีโอกาสได้ยินได้ฟังก็ควรที่จะตั้งใจฟังฟังแล้วก็นำเอาไปคิดไปพิจารณาเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นคเห็นคุณค่าแล้วเราก็จะเกิดมีฉันทะ คือความยินดีความพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามเมื่อมีความพอใจก็จะมีความภาคเพียรตามมามีความภาคเพียรที่จะทำดังที่ได้ยินได้ฟังเช่นวันนี้ก็ได้ยินแล้วว่าเราควรที่จะลํำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาของผู้มีพระคุณทั้งหลายต่อไปนี้เราก็จะ พยายามนำลึกอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ลืมพระคุณของท่านเมื่อเราไม่ลืมแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ไปตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณก็จะทำให้เรามีความสุขทำให้ผู้ที่มีพระคุณมีความสุขทำให้จิตใจของเราดีขึ้นสูงขึ้นจะทำให้เราอยากที่จะทำความดีเพิ่มมากขึ้นไป เรื่องต้นเราก็ทำความดีกับผู้ที่มีพระคุณกับเราต่อไปเราก็ทำความดีแก่บุคคลอื่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอที่เราจะช่วยเหลือดูแลเขาได้เราก็ช่วยเหลือดูแลเขาไปการกระทาความดีเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเรามีอาหารหล่อเลี้ยง ทำให้มีความอิ่มมีความสุขทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาราบยศสรรเสริญและกา ม, มัสุขอย่างอย่างไม่รู้จักพอถึงแม้ว่าเรายังจะต้องไปแสวงหาอยู่บ้างเราจะรู้ว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองเช่นเงินทองต่างๆที่เราหามานี้ ความจริงมันเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อที่จะทำหน้าที่สองส่วนของชีวิตของเราส่วนหนึ่งก็ดูแลอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะนำมาพัฒนาจิตใจของเราด้วยการให้ทานแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต่อผู้ที่เดือดร้อน เมื่อเราได้ทำอย่างนี้แล้วเราก็จะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีมีความสงสารต่อผู้อื่นเราจะไม่คิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เราสามารถรักษาศีลได้คือเราจะทำอะไรเราจะคำนึงอยู่เสมอว่า การกระทาของเรานี้ทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่ทําให้เขาทุกข์ยากลำบากหรือไม่นะก็เป็นการระ ง, งับการกระทาบาปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนะด้วยการทำความดีก่อนเมื่อเราทำความดีไปเรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะไม่อยากจะทำบาปทำกรรมเพราะว่า เรารู้ว่าทำบาปไปแล้วนั้นมีแต่ผลเสียทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นผู้ที่ถูกเราทำร้ายเขาก็ทุกเราก็ทุกเพราะใจของเราก็ไม่สุขไม่สบาย <c oughs> เมื่อเราเคยทำแต่ประโยชน์ <c oughs> ทำแต่ความดีให้แก่ผู้อื่นเรามีความรู้สึกที่ดีมีความสุขเราก็จะรู้สึกว่า เราจะไม่อยากจะทำบาปถ้าเราต้องการอะไรเราก็จะทำอยู่ในกรอบของความถูกต้องคือจะไม่ทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจของเราก็จะมีความสงบเย็นสบายไม่มีปัญหากับใครไม่มีเรื่องมีอะไรกับใคร เพราะเราเสียสละได้เราไม่ทำอะไรที่จะไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาภายหลังนั่นเองเนื่องจากเรายึดมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือการทำความดีและการไม่กระทำบาปเมื่อจิตใจของเรามีความสงบมีความสุข เราก็จะเห็นว่าปัญหาที่ทำให้เราขาดความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากหรือมีน้อยแต่อยู่ที่กิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราเวลาเราโลภนี้มันทำให้เราจิตใจนี้อยู่ไม่เป็นสุขถึงแม้เราจะมีมากหรือมีน้อยความรู้สึกนี้ก็เป็นเหมือนกันคนมีเงินล้อยบาทกับคนมีเงินล้อยล้านบาท เวลามีความโลภเกิดขึ้นมาในใจมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันคือใจร้อนใจกะวนกวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขจะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาเมื่อเรามีความสุขอยู่กับการทำความดีอยู่มีความสุขกับการไม่ทำบา แต่เรายังเห็นว่าใจของเรายังเล่นลนอยู่เราก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ที่ความโลภนี้เองและเวลาที่เราโลภแล้วถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เช่นเราไปถูกผู้อื่นขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาโกรธคนที่เขา เป็นอุปสรรคขวางกั้นความอยากของเราก็จะทำให้เราโกรธแค้นอาฆาตขึ้นมาได้นี่คือสาเหตุที่เรายังต้องทำงานขั้นที่สามคือนอกจากทำความดีละบาปแล้วเรายังต้องมาชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจ ใจถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างถาวรทําความดีก็มีความสุขไม่ทําบาปก็มีความสุขแต่ยังไม่หมดยังยังยังมีสิ่งที่จะต้องทำอีกเพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจยังไม่ได้หมดไปจากการกระทำความดีและการไม่ทําบาปความวุ่นวายใจนั้นยังมีอยู่เกิดจากความโลภ ความโกรธความหลงและตัวที่จะต้องกำจัดที่เป็นเหตุของความโลภความโกรธก็คือความหลงนี้เองความหลงก็คือการไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจที่สะอาด บ, บริสุทธิ์อยู่ที่ใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและอยู่ที่ใจที่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะให้ความสุขแก่ใจได้อย่างแท้จริงนอกจากความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสงบของใจที่เกิดจากการระ ง, งับดับของความโลภ้อมความโกรธของความหลงนี่เองดังนั้นเราจึงต้องสอนใจให้รู้ว่าอย่าไปแสวงหาอะไรต่างๆภายนอกกายนอกใจ ให้แสวงหาความสุขด้วยการชำระความหลงที่มีอยู่ในใจถ้าเราชำระความหลงได้เราก็จะไม่มีความโลภทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรเรามีธรรมะมีปัญญามาสอนบอว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใจของเรามันได้อะไรมาก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไป และเมื่อร่างกายตายจากโลคนี้ไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็หมดไปมันไม่ได้ติดไปกับใจของเราเราจึงต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จีรังถาวรได้อะไรมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปและหมดไปจากเราไป เวลามันเปลี่ยนไปมันจากเราไปเราก็ต้องพบกับความทุกข์พบกับความเศร้าโศกเสียใจแต่ในขณะที่เราอยากได้เราก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายเราก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกอย่างนี้ด้วยการทำจิตใจให้สงบเราจึงต้องฝึกทำสมาธิกัน พยายามนั่งสัมสมาธิอยู่เรื่อยๆทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งก่อนที่เราจะทำสมาธิได้เราก็ต้องเจริญสติก่อนเราต้องตามรู้ดูการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆอย่าให้กายวาจาใจอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทานั้นๆ กำลังพูดอะไรก็ให้อยู่กับการพูดกำลังฟังอะไรก็ให้อยู่กับการฟังอย่าให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่เชนั้นแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมใจให้สงบนิ่งได้ถ้าเราควบคุมใจในเบื้องต้นให้อยู่กับปัจจุบัน <S <S ให้อยู่กับการกระทําที่เรากำลังกระทําอยู่ไม่ว่าเรากำลังทำอะไรให้อยู่กับการกระทานั้น กำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังยืนก็ให้อยู่กับการยืนกำลังนั่งก็ให้อยู่กับกำลังนั่งกำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเคี้ยวก็อยู่กับการเคี้ยวกำลังกลืนก็อยู่กับการกลืนให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติเป็นการเจริญสติเพื่อจะได้ ใช้เป็นเครื่องบังคับใจให้สงบให้นิ่งได้ในลำดับต่อไปใจจะสงบจะนิ่งได้ใจจะต้องมีอารมณ์เดียวจะต้องอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเรากำหนดให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นให้คิดแต่คำว่าพุทโธไปไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบได้ หรือจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ให้ดูตรงจุดที่ลมสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกเท่านั้นอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาให้รู้อยู่ที่จุดเดียวเพื่อจิตจะได้นิ่งเมื่อนิ่งแล้วก็จะได้สงบจะได้รวมลงเป็นหนึ่งเวลาจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วจะมีความรู้สึกเบาสบาย ความหนักอกหนักใจความอยากต่างๆนั้นจะหายไปหมดเลยจะไม่รู้สึกว่าขาดแคลนอะไรเลยจะรู้สึกว่ามีครบถ้วนบริบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในขณะที่จิตสงบจะเป็นอย่างนั้นแต่พอจิตออกจากความสงบแล้วกิเลกก็จะมาหลอกว่าใจต่อไปเห็นอะไรก็จะเกิดความโลภความอยาก ได้ยินอะไรก็จะเกิดความโลภความอยากหรือเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาในตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาสกัดเราต้องสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นก็ดีสิ่งที่เราได้ยินก็ดีนั้นเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ไปควบคุมไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ เขาจะเป็นอะไรเราก็รู้ไว้เฉยๆก็พอไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจถ้าเรายังมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติกับสิ่งต่างๆอยู่ก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่ของเราตามความสามารถของเราแต่จะไม่ไปกังวลจะไปทุกข์ถ้าเราไม่สามารถทำทำได้เสมอไปก็าบางครั้งเราก็ทําได้ใน บางเรื่องบางอย่างในแต่ในบางครั้งบางคราวเราก็ทำไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรื่องต่างๆที่เราทำอยู่ใน่องนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวทางนั้นทำไปอย่างไรแล้วสักวันหนึ่งมันก็ผ่านไปหมดไปเราผ่านไปหมดไปมันก็หายไปหมดทำได้ก็เท่านั้นทำไม่ได้ก็เท่านั้น เราย้อนกลับไปดูในอดีตคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์เขาสร้างบ้านสร้างเมืองเขาก็ต้องต่อสู้ทำสงครามเขาต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างก็หายไปหมดไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยาสุขโขทยัยที่บรรพบุรุษเราได้ต่อสู้ได้ก่อสร้างกันมา พอเวลามันผ่านไปแล้วทุกอย่างมันก็กลายเป็นซากประหลักหักพังไปหมดเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่มีความความมั่นคงและมันไม่มีความสำคัญอะไรเราไปหลงมันเท่านั้นเองเราไปให้ความสำคัญกับมันเท่านั้นเองสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเรากับไม่ให้ความสำคัญก็คือการพัฒนาใจของเรา นี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญและพัฒนาให้ได้ด้วยการบําเพญ็ญด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาศึกษาแล้วนามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาบรรลุเป็นเป็นผลขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทอยู่ที่การปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะวิริยะไม่ผัดวันประการพรุ่ง พยายามใช้เวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าวันเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาปฏิบัติได้หรือไม่วันนี้เรามีเวลาเรารีบตักเตืองเสียเมื่อเราปฏิบัติแล้วไม่นานเราก็จะได้ผลที่เราปรารถนา เมื่อเราได้ผลแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรต้องปฏิบัติอีกต่อไปการพัฒนาทางจิตใจนี้มีการสิ้นสุดลงงานของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นั้นท่านมีที่สิ้นสุดลงของพระพุทธเจ้าก็สิ้นสุดลงในวันเพ็ญเดือนหตอนที่มีพระพันสาสามสาพันสางานพัฒนาจิตใจของพระพุทธเจ้าก็เสร็จสิ้นลงหลังจากนั้นก็เป็นการแถม งานช่วยเหลือผู้อื่นนี่ถือว่าเป็นงานแถมทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่งานที่สำคัญก็คืองานพัฒนาใจของเราเราอย่าให้งานอย่างอื่นมามาเบียดบางเวลาอันมีค่านี้ไปพยายามดึงเอาเวลาเท่าที่เราจะมีได้นี้มาปฏิบัติกับการพัฒนาจิตใจของเราเถิดให้มันเสร็จโดยเร็ววัย เมื่อเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อไปก็ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่เสร็จไปทำงานอย่างอื่นทำมากน้อยเพียงไรงานที่จำเป็นจะต้องทำก็ยังไม่ได้รับการกระทำอยู่อย่างนั้นก็จะต้องกลับมาทำอยู่ดีแต่อาจจะไม่มีเวลาได้กลับมาทำในชาตินี้ก็ได้อาจจะต้องเสียเวลาไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปี กว่าจะได้กลับมาทำงานนี้ใหม่เในปัจจุบันนี้เรามีเวลาเรามีโอกาสเรามีลาบมีวาสนามีพระพุทธศาสนาคอยนำทางเราอยู่เราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ผ่านไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อบรรลุ ถ, ถึงผลอันเลิศอันประเสริฐ